พันธสโสดาบันเนี่ยนะจนกว่าจะเรียกว่าแท้จะคิดถึงพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกไปยซ้ำไปคือจริงๆเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนถึงระดับสูงสุดเห็นอะไรต้องเห็น พ, พระพรตนาใต้ทุกเรื่องเลยนะเห็นดอกไม้เห็นพระรตนาตรัยได้ไหมไเห็นได้เห็นอะไรทั้งหมดในโลกนี้่เห็นแล้วลองหาดูซิว่าดูสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนั้นแนละ้วไม่มีคุณพระรตนาตรัยณที่ตรงนั้นเลยอ่านะ ถ้าถ้าอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามีความมั่นคงสูงมากแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยที่นั่นก็นไปเนป้นึกถึงพระพุทธะเออนึกถึงพระรัตนตรายก็ไม่ออกอยู่นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับพระรัตนตรายถ้าอย่างนี้ก็หห่างมากห่างจริงๆห่างสองพันกว่าปีเลยแหละทั้งร่างกายและจิตใจนี่ <c oughs> จริงดังนั้นจนกว่าจะเรียกว่าทุกเรื่องมีคุณพระรัตนตรายอยู่กับกับนั้นทั้งหมดได้ถ้าทําได้ตามนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มี อนุสติเนี่ยเป็นผู้ที่มีอนุสติซึ่งข้อความในอังคุตระนิกายมหานามสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ น, นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทแขวนสักกะครั้งนั้นแลเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับ ถวายบังคมและประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าอริยสาวกผู้ได้บรรลุแล้วบรรลุอะไรพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบนแล้วทราบชัดศาสนาคือสิกขาสามในในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนเป็นส่วนมาก เขาอยู่ใจของเขาเนี่ยหมายความว่าที่อยู่ทางร่างกายนี่เราก็รู้อยู่แล้วไหมมันต้องอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ตามที่ร่มอยู่อะไรกันเนี่ยเท่าอยู่ทางร่างกายอยู่ด้วยอิริยาบทสี่แล้วใจนี่อยู่ด้วยอะไรอะนะร่างกายเรารู้แล้วว่าเราจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าเดินทางอยู่บนรถอะนะถึงที่ทำงานอยู่ที่ทำงานถ้าอยู่อยู่ที่บ้านก็อยู่ที่บ้านมีที่อยู่แล้วอยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยอิริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแต่ใจนี่มันจะอยู่ด้วยอะไรดี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 อิริยาบถวิหารนะอย่างที่เราอยู่ๆเนี่ยอยู่ด้วยยืนเดินนั่งนอนนะอยู่บ้านไหมอยู่อยู่ด้วยยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนก็ได้แล้วก็อยู่ก็คือยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถวิหารสองพรหมวิหารเนี่ยนะอยู่ด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาและด้วยอุเบกขาสภาพจิตที่อยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดันเรียกว่าอยู่ด้วยพรหมวิหารสามอยู่ด้วยฌานสี่อยู่ด้วยปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานเป็นต้นนี้เรียกว่าทิพภวิหาร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 พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะอริยส า, าวกผู้ได้บรรลุผลคือโสดาปฏิผลเนี่ยนะโสดาปฏิผลเป็นต้นทราบชัดพระศาสนาคือรู้จักพระพุทธศาสนาจะลรมว่าศาสนาเป็นชื่อของสิกขาสามเป็นคนรู้ชัดอธิสีลสิกขาที่จิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคือ อริยาสาวกในพระศาสนานี้ย่อมตามระลึกถึงพระตะถาคตเนืองๆว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น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 สมมติท่โลภอะไรสักอย่างหนึ่งอยากได้มากคิดถึงพระพุทธเจ้าอีกพักหนึ่งแล้วมันจะลดได้พุทธเจ้านี่มีขังมากนะฮะท่านสรุปว่าพระอริยาสาวกเนี่ยนะท่านอยู่ใจของท่านมีที่อยู่คือพุทธคุณอ่นะอารมณปัจจัยของพระอริยาสาวกโคจรไปในพระพุทธคุณอรหัง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 อณนะพระองค์กราสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้วและควรเจริญควรทำให้แจ้งพระองค์เป็นผู้มีวิชาสามมีวิชาแปดสมบูรณ์ด้วยจารณสิบห้าสุขโตไปสู่อมตะนิพพานไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่ไปด้วยสสตทิฏฐิอุเฉท ท, ทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะโลกวิทูรู้สังขารโลกโอกาสโลกและสัตวโลกเนี่ยนะนะอนุตตรโรม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในการ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 ศาสาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาพาสัพพะสัตทั้งหลายข้ามจากวตะข้ามจากกันดารคือชาติชารามรณะเป็นผู้สอนให้สัตว์ทั้งหลายรับรู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งไม่มีประโยชน์ใดๆจะยิ่งกว่าคือประโยชน์คือพระนิพพานนะนะพุทโธก็คือผู้ที่รู้เองแล้วก็ยังให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะอันตรัสรู้อริยสัจเองแล้วช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจด้วยแล้วตื่น หมายควาว่ากาจัดราคะโทสะโมหะมานะพิธิบาปอากุศลธรรมทูตจริตกรรมโดยส่วนเดียวเนี่ยนะผู้ที่เรียกว่าพุทโทธโผขวะก็คือผู้จําแนกแกะแงทรมรัตนะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายผู้มีส่วนแห่งโพธิปัจจยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าพุทธผขวะพาริยาสาวกเนี่ยปกติเนี่ยใจของท่านอยู่ในพุทธคุณเหล่านี้นี่คือเครื่องอยู่ของท่านเมื่อไร่นะใจของเราจะยินดีในเครื่องอยู่เหล่านี้ใช่ไหม ของเราแบบทั่วๆไปนะขออยู่แบบตามภาษาเราเรามีปัญหาหน่อยค่อยคิดถึงพระพุทธ เ, เจ้านะบางคนนะบอกว่ า, ว า, วาคิดไปคิดมาไปทําอะไรซะวุ่นวายโอ๊ยทําใันไม่สบายใจเลยสวดมนต์ดีกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าแบบเดือดร้อนเมื่อไหร่แล้วค่อยหาท่านแต่ว่าไม่ไม่ได้มีปกติอยู่กับท่านแต่มีปกติไหมว่าไปสร้างปัญหาเสร็จแล้วก็มาพึ่งท่านนะเอาแบบนั้นขอพึ่งท่านเป็นปกติครับ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 อยังนอบน้อมพระรัตนตรและลึกถึงพระรัตนตรัยสมัยก่อนนี่เคยได้ยินไหมของมาเนี่ยสอยเด็กๆเขาแนะนําว่าถ้าฟ้าผ่าเปรี้ยงบอกให้พุทโธพุทโธเอาไว้เขาแบบนั้นนะของโยงเขาแนะนําไว้อย่างนั้นหมนะ น, น, นี่นนะฝนตกก็อะไรนะฝนตกแดดออกกลัวอะไรก็พุทโธเอาไว้นะอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละแสดงว่าคนที่เขาต้นคิดเนี่ยเขามีความเข้าใจดีแต่ต้นหลังก็ได้แต่อะไรนะได้แต่คําไปท่า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 พ่อที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเคยรู้จักแรงดึงดูดของโลกไหมเป็นยังไงอันะดูดทางตาเนี่ยดูดให้ไปดูใช่ไหมทางหูนี่มันดูดให้ไปฟังทางจมูกนี่มันดูดให้ไปรู้กลิ่นทางลิ้นนี่มันดูดให้ไปอะไรให้ไปลิ้มรสเนี่ยไปอยู่ใกล้ขนาดไหนมันก็ต้องลิ้มรสอีกกันได้นะมันดูดไปแรงดึงดูดของเนี่ยมันดูดไปหาโพธิภพเสร็จแล้วก็ดูดไปจุติและปฏิสนธิท่านถ้าเกาะเกี่ยวตรงไหนตรงนั้นแหละคือที่ไปของเรา าราเรยาสาวกยังไงท่านก็ขอเลือกมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะท่านท่านท่านจึงกําหนดคติได้ไงเพราะความที่ท่านมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ท่านก็เลยเลือกที่เกิดได้เนี่ย น, นะเพราะมีที่อยู่อย่างดีเนี่ยนะเพราะถ้าเราฝึกจนชํานาญเมื่ออนะไรอย่างบางคนเนี่ยมีความสุขกับการตามระลึกนึกถึงคนของพระรันาตนตรัยระลึกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อถ้าเรารู้สึกเบื่อพระพุทธเจ้าเมื่อไหรก่ก็เกิดอะไรขึ้นนะดีไหม บอกว่ยสวดมนต์มากเบื่อที่จริงอ่ะนะเขาบอกเขาไม่เบื่อเ ร, ราพระรัตนตรัยแต่บอกมาสวดมนต์ได้แล้วบอกอูเบื่อแล้วเกินในสวดอยู่นั้นซ้ำๆเาบอกงั้นน่ารําคาญนั่นแหละแปลว่าเขาเบื่อตามๆระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย <S <S บางทีนะเขาไม่พูดพ ย, ยัญชนะตรงๆหรอกเขาเรียกว่าคําพูดในในโลกนี้มีสองอย่างอ่ามุขยะกับมุขยะแปลว่าพูดตรงๆกับอุปจาระพูดแบบอ้อมๆเขาเรียกว่าเป็นที่รู้กันเลยนะ บางทีเขาเรียกว่าพลูปจาระพูดผลแต่หมายถึงเหตุบางทีอการณูปจาระพูดเหตุแต่ว่าจริงๆอ่ิที่หมายถึงผลอุย้ยบ้านนี้เสียงดังลั่นเลยบ้านมีเสียงได้ไหมไบ้านนี้เสียงดังแล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะเตียงนั้นโหเพรางั้นโต้นั้นเนี่ยอูย้ยบ่นจังเล ย, ยนะเพราคนที่อยู่ในโต๊ะฉันใดคําพูดในโลกเนี่ยมันจะมีคําพูดแบบตรงคําพูดแบบอ้อมอย่างมาังคนบอกอุย้ยเช้าเนี่ยขาดพระพุทธคุณไม่ได้หรอก เขาขาดพระศาสนาไม่ได้หรอกบสอาสวดสันเสริมพระรัตนตายดีกว่าไห่พูดแนละ้วมันขัดกันเองเลยบางทีเนี่ย สรุปว่าพระอริยสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่ระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เนืองเนืองะถ้าใจเขาไม่อยู่กับอรหันตคุณก็อยู่กับสัมมาสัมพุทโธไม่อยู่กับสัมมาสัมพุทโธก็อยู่กับวิชาจารณะสัมปันโนไม่อยู่กับวิชาจารณะสัมปันโนก็อยู่กับสุขโตไม่อยู่กับสุขโตก็อยู่กับโลกาวิถูไม่อยู่กับโลกวิถูก็อยู่กับอนุตตรโหมไม่อยู่กับอนุตตรโหก็ปุริสธรรมสารถิถ้าไม่อยู่กับปุริสธรรมสารติก็สาสถาเทวมนุษยานัง น, นะนะหรือไม่ก็บทว่าพุโทโหรือไม่ก็คำว่าพักวา่า